ตอนที่183าหนามยอกเอาหนามบ่งหลี่หวันเป็นลูกสาวของเจิ้งอวินฉงฐานะของปู่และพ่อของนางในเขตทหารนั้นประจักษ์ชัดแจ้งอีกทั้งความสามารถของนางเองก็ไม่ธรรมดาหากสากรสากจานเท้าเซียเต็มใจจะหนุนหลังนางหยวนจเหลางก็คงต้องรับผลที่ตามมาอย่างหนักการที่หลี่หวันเทียงแค่ทําให้เขาพิการดูเหมือนจะเป็นการเมตตาและจริงๆท่านปู่เทาหยวนหน้าแดงก่ําครู่หนึ่งไม่รู้จะเอ่ยคําใดดีท่านปู่หยวน ท่านคิดว่าการที่หยวนเจร่างทำร้ายเส้าเหิงนั้นไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวควรทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กอย่างมากก็แค่ตำหนิเขาไปทีหนึ่งหลีวันเอ่ยเสียงเรียบหนูเองก็แค่นามยอกเอาหนามบงอีกทั้งเขายังเป็นฝ่ายมาหาเรื่องหนูก่อนท่านว่าจริงไหมคะท่านผู้เฒ่าหยวนไม่คิดเลยว่าคำพูดที่ตนเคยเอ่ยออกไปจะถูกย้อนกลับมาเข้าตัวเช่นนี้เขาหายใจเข้าลึกๆใช่เสี่ยวหวันพูดถูก ท่านผู้เฒ่าหยวนถลึงตาใส่หยวนจือหลางที่นอนกองอยู่บนพื้นอย่างไม่ได้ความพางกัดฟันกรอดครั้งนี้เจ้าจงไปสำนึกผิดให้ดีใส่หัวไปโรงพยาบาลซะหยวนจือหลางเจ็บปวดจนร่างกายม้วนงอเป็นก้อนเขาไม่ได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดกันนานแล้วสุดท้ายแม่บ้านก็เป็นคนส่งเขาไปโรงพยาบาลหยวนรองและคนอื่นๆทราบเรื่องในวันรุ่งขึ้นจึงรีบบุ่งไปที่โรงพยาบาลหยวนจือหลางคว้าแขนพวกเขาพลางร้องให้อย่างโศกเศร้าพ่อครับผมเหมือนจะพิการไปแล้วจริงๆทำไมผมถึงไม่มีความรู้สึกเลย พ่อช่วยหาหมอเก่งๆมาให้ผมทีให้พวกเขารักษาผมให้หายผมไม่อยากเป็นขันทีไปตลอดครึ่งชีวิตที่เหลือหนังแพทย์สยายวนรองกำมัดแน่นสอบตาดลีวันอย่างดุร้ายยายเด็กนี่กล้าทํากับจือหลางขนาดนี้เชียวหรือแม้แต่พี่ใหญ่กับพี่สะายใหญ่ยังไม่กล้าลงมือกับพวกเขาเลยเอาเถิดตอนนี้พูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์เจ้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให้ดีก่อนบางทีอาจจะค่อยๆหายดีก็ได้พ่อจะหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาเจ้าแน่นอน ย้อนรองปอบประโลงเขาตอนนี้ถึงจะกลับไปคิดบัญชีก็ไม่มีประโยชน์เพราะลูกชายเขาเป็นฝ่ายผิดก่อนหลีหวานก็แค่ตอบโต้กลับผมจะฆ่าหลีหวานพ่อผมต้องฆ่านางให้ได้ได้เรื่องนี้เราต้องวางแผนกันให้รอบครอบห้ามบู้วามเด็ดขาดพ่อผมจะฟังพ่อฮือฮือหลีหวานคาดการไว้แล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมเลิกรางง่ายๆการที่นางทําเช่นนี้ไม่ต่างจากการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการ หยวนเร้าเหิงดิมที่คิดจะให้นางพักอยู่ที่บ้านสักสองวันเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเขาไม่คิดเลยว่าจะเกือบทำให้นางเดือดร้อนเช้าวันรุ่งขึ้นหยวนเศร้าเหิงจึงจัดรถไปส่งหลีหว่านกลับช่วงนี้จะอยู่ที่บ้านไปก่อนอย่าไปไหนนะเชื่อฟังพี่พี่กลัวหยวนจือหลางจะมาแก้แค้นหนูเหรอหลีหวันเลิกคิ้วขึ้นพางแค่นหัวเราอยอย่างไม่แยแสวางใจเธอหนูไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาหรอกถ้าครึ่งชีวิตที่เหลือเขาอยากจะมีลูกของตัวเองเขาก็ต้องมาอ้อนวอนหนูเพราะนอกจากหนูแล้วไม่มีใครรักษาเขาได้ หยวนเศร้าเหิงกุมซีโครงที่ยังรู้สึกจะแปรปอยู่แววตายเย็นเยียบต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปไม่ได้หยวนเศร้าเหิงรู้ว่าท่านผู้เฒ่าและฮูหยินเขาจะไม่ยอมแน่เขาจึงต้องไปหาหยวนเฟยผู้เป็นพ่อให้เป็นคนจัดการหยวนเยน็นเย็นพอใจกับการกระทำของหลี่หว่านมากนางไม่คิดเลยว่าหลี่หว่านจะโหดเที่ยมขนาดนี้ถึงขั้นทำให้หยวนจะหลังพิการไปเลยช่างสะใจจริงๆนางตัดสินใจแล้วว่าต่อไปจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อหลี่หวานเสียใหม่ ที่สเซไปคนนี้ดูถ้าจะใช้ได้เลยทีเดียววันรุ่งขึ้นหลังจากหลีวันกลับถึงเขตทหารเจ้างวินชงก็ได้ยินเรื่องนี้จากปากของยนเศร้าเหิงเขาโกรธก็ส่วนโกรธแต่พอได้ยินว่าลูกสาวแก้แค้นกลับไปแล้วโทสะก็มอดลงไปมากเจ้างวินชงจึงเสนอให้ลูกสาวเรียนศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวไม่ว่าเมื่อไหร่การรอให้คนอื่นมาปกป้องนั้นไม่มีประโยชน์เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจงออกไปวิ่งออกกําลังกายกับพ่อพ่อขนูรู้วิธีปกป้องตัวเองค้า อีกอย่างพลังกำลังระหว่างชายหญิงนั้นแตกต่างกันอยู่แล้วหลีหวานไม่คิดว่าหากนางต้องปะทะ ก, กับชายชะการตรงๆนางจะชนะได้บางเรื่องก็ต้องใช้สมองคุณนีอยามาเสนอไอเดียส่งเดทแถวนี้ได้ไหมลีชิงพิงเอ่ยด้วยน้ําเสียงอ่อนใจเรียนศิลปะการต่อสู้หรอหรืออยากจะให้เสียหวานฝึกจนกลายเป็นชายชะการล่าบึกเหมือนคุณเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆทําแบบนั้นมันจะดูดีเหรออีกอย่างลูกสาวต้องยุ่งกับการเรียนไม่มีเวลาว่างไปฝึกหรอกจะเรียกว่าไอเดียส่งเดทได้ยังไง เจิ้งอวิ๋นชงไม่เห็นด้วยเด็กๆในบ้านเราทุกคนต้องฝึกฝนให้ดีเวลาออกไปข้างนอกจะได้ไม่ถูกใครรังแกฉันรู้แล้วละ่ะเซียอูบ้านเราไปชกต่อยกับเด็กคนอื่นในโรงเรียนอนุบาลก็เพราะคุณสอนใช่ไหมลีชิงพิงเอ่ยถึงเรื่องนี้ด้วยความสงสัยปกตินางไม่ใช่คนชอบหาเรื่องใครและเจิ้งอวิ๋นชงก็ดูไม่เหมือนคนแบบนั้นแต่เซียอูของพวกนางกลับสนเป็นพิเศษหลังจากเข้าโรงเรียนอนุบาลได้ไม่กี่วันครูประจําชั้นก็เรียกผู้ปกครองไปพบบอกว่าเด็กไปชกต่อยที่โรงเรียนต่อยเพื่อนจนเลือด ก, กัมเดาไหล ลี่ชิงพิงต้องไปขอโทษขอโพยผู้ปกครองอีกฝ่ายจนหน้ายิ้มค้างไปทั้งวันโชคดีที่ทางนั้นไม่เอาความลี่ชิงพิงกลับมาถามลูกชายว่าทําไมถึงไปชกต่อยกับเขาผลคือเขาพูดว่าอะไรละ่ะเขาบอกว่าแค่เห็นหน้าเด็กคนนั้นแล้วไม่ถูกชะตาอยากต่อยก็เลยต่อยชกต่อยเหรอเจิ้งอวิชงช๋งฉงชะงักแล้วลูกเราชนะหรือแพ้ละ่ะนี่คือประเด็นสําคัญที่คุณคนเป็นพ่อควรสนใจเหรอไม่ถามว่าทําไมลูกถึงชกต่อยแต่ดันสนใจว่าลูกชนะหรือแพ้ ลี่ชิงผิงเริ่มมีน้ำโหเจิ้งอวิ๋ฉงคืนนี้คุณไปคุยกับเสี่ยวอู่ให้รู้เรื่องนะไม่ว่ายังไงก็ห้ามลงมือกับเพื่อนร่วมชั้นเด็กขาดถ้าคืนนี้คุณสอนลูกไม่ได้คุณก็ไปนอนกับลูกเลยสอนได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเอ๊ะเจิ้งหวิ๋นฉงพอได้ยินว่าจะต้องแยกห้องนอนก็ใจเสียมิจ่าลูกทำผิดทำไมมาลงที่ผมละ่ะเด็กๆกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติบาดเจ็บบ้างก็ธรรมดาคุณดูสิเด็กคนไหนไม่ชกต่อยกันบ้างโดยเฉพาะเด็กผู้ชายไม่ได้ จะปล่อยให้ติดนิสัยชอบใช้กําลังตั้งแต่เด็กไม่ได้ไม่ว่าจะทําคนอื่นเจ็บหรือตัวเองเจ็บก็ไม่ได้ทั้งนั้นลีชิงพิงขมวดคิ้วแน่นคุณไปดูสีหลังมือลูกบวหมดแล้วลีชิงพิงหวังอยากให้ลูกๆตั้งใจเรียนที่โรงเรียนพอเขากลับมาเห็นลูกมีแต่แผลหัว อ, อกคนเป็นแม่ก็ปวดใจเดี๋ยวผมไปดูเองเจิ้งอวิ๋งฉงจวนเซิรนไปหาเซียวอู่ลี่หวันเห็นแม่ยังอารมณ์ค้างอยู่จึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปลอบเบาๆแม่คะจริงๆหนูว่าที่คุณพ่อพูดก็มีส่วนถูกนะคะค เด็กๆลงไม้ลงมือกันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดเด็กคนอื่นมารังแกเราแล้วเราไม่ตอบโต้เลยเหรอจะเข้มงวดเกินไปไม่ได้นะคะไม่อย่างนั้นคราวหน้าลูกเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวจนเสียเปรียบเอาได้แล้วทาไมตอนเด็กๆลูกถึงเชื่อฟังไม่เห็นเคยไปมีเรื่องกับเพื่อนคนไหนเลยละ่ะลีชิงผิงรู้สึกว่าลูกสาวทําให้สบายใจกว่าเยอะตอนเด็กๆหนูไม่ได้ไปโรงเรียนนี่คะพอเข้ามาัธยมต้นก็ได้เรียนไม่นานพอเข้ามาัธยมปลายก็มีเศร้าเหิงอยู่ด้วยใครจะกล้ารังแกหนู